แล้วเราล่ะเรามีลูกชายเป็นพระอรหันต์ไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยงั้นตรงนี้ก็คิดว่าการการถึงพระรัตนตรัยนี่นะหนึ่งการถึงพระรัตนตรัยเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้ว่าเศร้าหมองไหม การถึงพระ t h a n a t r ของเราเนี่ยเศร้าหมองหรือไม่ดูตรงไหนหนึ่งอายานนะการถือพระรัตนต t r a โดยปราศจากปัญญาไม่ได้ศึกษาให้รู้ในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์นี่เขาเรียกขาดปัญญานะาพราะขาดปัญญาปุ๊บเราก็ปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าผิด เพราะเราไม่ไม่รู้คุณไงเช่นเนี่ยเวลาเราเห็นเราจะไปบตัตตอบพระสรีรักคุณของพระพุทธเจ้ายัางไงถามว่าที่เราเห็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยที่กขาปั้นเขาไว้เนี่ยเราคิดยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเจดีไหมเขาเรียกอะไร อุเทศิกเาเจดีคําว่าเจตียาในแปลว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรเคารพเคารพขนาดไหนถามว่าเออนึกมองพระรูปของพระเจ้าแล้วปฏิบัติระลึกถึงพระคุณทำไมพระเจ้ามีพระรูปอย่างนี้เพราะพระเจ้ามีพระทานาบรมีสีเนคขมาปัญญาวิริยขันติสจาติฐานะเมตตาเวขา มาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรกว่าจะได้พระรูปที่งดงามแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นน่ะได้มาด้วยความลําบากไหมถามว่าเรามองเห็นพระรูปปุ๊บเพื่อจะได้เห็นอะไรจะได้ระลึกถึงพระคุณว่าพระรูปเป็นที่ตั้งของศรัทธางดงามปั่นเนี้ยเพราะบําเพ็ญบารมีมาเต็มจึงได้มีพระรูปอย่างนี้เราคิดแบบนี้ไหมถ้าไม่คิด ในโทนทํานองแบบนี้แปลว่าไม่เข้าใจพระคุณพระเจ้าก็เลยปฏิบัติไม่ถูกคําว่าปฏิบัติไม่ถูกคือคิดในพระสรีระคุณของพระเจ้าไม่ถูกเพราะคิดไม่ถูกใจก็ไม่ตั้งมั่นไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นถามว่าพระรู ป, ปากายของพระเจ้าที่นายช่างที่ชาญฉลาดเขาปั้นไว้เนี่ยเพื่อต้องการให้เห็นอะไรที่งดงามเนี่ย เพื่อ hey, เราเห็นอะไรเออเห็นทานบา ร, รมีที่ทํามาเห็นศีลบา ร, รมีที่รักษามาเห็นเนคขมาบา ร, รมีเห็นปัญญาบา ร, รมีที่พระองค์ทรงบรรําเพ็ญมายี่สิบอสองไขยิ่งโดยแสนกับจึงมีพระรูปอย่างนี้ฉะนั้นพระรูปจึงที่เป็นที่ตั้งของศรัทธาไม่ใช่ไปดูพระทศโลกเออนี้สร้างยุคไหนราคาเท่าไหร่อันนี้โดยพุทธศีล์แล้วถือว่าเป็นยุคไหนเนี่ยอายุ ป, ประมาณกี่ปีเนี่ยอันนี้ถามว่า คิดจนสมองแตกก็ไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้านี่ใช่ไหมล่ะจะไปเห็นได้ยังไงเพราะไม่เห็นพาัฒานาบา ร, รมีเลยเนี่ยวะถามว่าเราทําไมมีรูปร่างแบบนี้เพราะเราไม่ได้บริเวณบารมีเท่าพระพุทธเจ้านะให้เห็นแล้วให้ปักใจใ น, นความเชื่อมั่นพัฒนาไปสู่ปัญญาที่เห็นคุณก็ เ, เห็นว่าเขาปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าถูกไงว่าควรจะปฏิบัติต่อท่านอย่างไร ถ้าไม่เห็นคุณเราจะปฏิบัติอย่างไรนปฏิบัติต่อท่านอย่างไรแล้วเห็นพระธรรมคําสอนของท่านไหมว่าพระธรรมคําสอนของท่านเนี่ยตอนนี้พระธรรมของท่านปรากฏในใจเราตลอดเวลาไหมเมื่อเราใช้ชีวิตเช่นเรานั่งฟังธรรมเนี่ยตอนนี้พระธรรมกระตุ้นเตือนในใจไหมกระตุ้นเตือนในใจวางใจเป็นกุศลศรัทธาเชื่อมั่นไหมแล้วพัฒนาตัวเองต้องการเป็นหนึ่งในพระาราชนัดตรัยคือจะเป็นสังฆาได้ไหมแล้วคิดอย่างนี้ไหมล่ะ ชิดว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในสารณาคมอะ่ะก็คือเป็นสังขังสลาณังกระฉามิจะต้องเป็นภ้าอยาบุคคลให้ได้ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราเราไม่ปลอดภัยจากกายภูยมิเราคิดแบบนี้ไหมหรือว่าปล่อยวันคืนผ่านไปโดยไม่คิดที่จะสร้างคุณธรรมใดๆให้เกิดขึ้นในใจเลยนี้จบชีวิตก็จบเห็นไหมพออาญานะเนี่ยพราะรู้อาญานะในที่นี้ก็คือถือตราสนะไตรจากปัญญาพราไม่มีปัญญาในปฏิบัติไม่ถูกแล้วถามว่าเวลาจะปฏิบัติแต่พระสงฆ์ก็ปฏิบัติไม่ถูก เพราะไม่มีปัญญาไงไม่รู้จะปฏิบัติยังไงปฏิบัติต่อท่านอย่างไรที่เป็นไปกับเมตตากายกรรมเมตตาวิจิกรรมเมตตามโนกรรมแล้วจะได้ผลประเสริญยังไงในรายละเอียดเยอะนะเนี่ยการถือพระรัตนาตรายัยโดยปราศจากปัญญาเนี่ยเห็นไหมถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่รู้ข้อมูลเราจะเจริญพุทธคุณได้ไหมย้อทรุอนเราจะได้ไหมไม่ได้หรอกทีนี้ถ้าคนเจริญพุทธคุณไม่ได้แล้วกรรมฐานอื่นน่ยจบจบจะไปได้ยังไงอ่ะ เชื่อไหมกรรามฐานอื่นจะเป็นของพระพุทธเจ้าจริงอ่ะเพราะเราไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าไม่รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่รู้คุณของปริยส่งเรื่อ ง, เ, งเราจะปฏิบัติพระธรรมถูกยังไงใครมาบอกอยังไงเราก็เป๋ไปหมดเลยแต่เ น, นี้ยแต่ความตั้งมั่นในพระราชนัดไดไม่แข็งแรงเลยใช่ไหมฉะ <laughs> นั้นต้องรู้คุณท่านจริงๆถึงแม้เรารู้ไม่กว้างแต่ใครรู้จริงๆอ่ะเช่น ไม่เคยรู้เลยเนี่ยว่าพระพเจ้าบำเพ็ญทานบารมีพระเจ้าบําเพ็ญทานมีไม่รู้กี่ล้านชาติแต่สักชาติเดียวเราไม่รู้เลยเนี่ยนี่ถือว่าบอดเนี่ยไงถือว่าบอดสนิทนะไม่รู้พระจริยาคุณในข้อของทานบารมีเลยอ่ะศีลบารมีสร้างมาไม่รู้กี่ล้านล้านกดโกดชาติแต่สักชาติเดียวเนี่ยจําไม่ได้เลยเนี่ยน่าขึ้นอมั้ยเนคขมาบารมีพระเจ้าบำเพ็ญมาไม่รู้กี่ล้านชาติแต่แค่ขอชาติเดียวอ่ะ ที่รู้ว่าท่านบราเพ็ญเน่ขำมาเป็นแบบนี้แล้วไม่รู้เรื่องเลยนะถามว่าจะเจริญพุทธคุณอย่างไรน่นาหนักใจไหมไม่ใช่เยอะเนาะแต่เพียงว่าให้รู้รู้จักคุณตนหักในคุณปัญญาบา ร, รมีนะบรมเพ็ญมาเป็นไม่รู้กี่ล้านอัตภาพแต่ขอสักชาติเดียวแล้วอพอรู้ว่าท่านเจริญอย่างนี้แล้วเราจะได้เจริญตามแต่เราไม่รู้เลยเนี่ยเลยทาไงเนี่ย ถ้าเราไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยทําอะไรมาเราจะรักพ่อเราได้จริงๆมั้ยถ้าไม่รู้ว่าพ่อเด็กเคยทําคุณให้กับเรามาอย่างไงเลยเนี่ยคนคนนั้นจะรักพ่อได้ไหมเนี่ยรักจริงๆอะรักพ่อจริงๆว่าพ่อสําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยจะรักได้ไหมก็รักไม่ลงหรอกจะไปรักลงยังไงแล่ะก็ได้แต่สํานวนคําพูดเนี่ยตีริมนพปบ่าว่ารักรักรักรักรักศรัทธาพ่อศรัทธาพ่อ ก็ดูที่เนี่ยศรัทธาพ่อก็ปฏิบัติธรรมะของพ่อที่ของพระเจ้าซิแล้วไปเอาธรรมะใครมาปฏิบัติใช่ไหมก็ปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้ถูกทีตรงนี้เห็นไหมว่าถ้าเราลึกแล้วเนี่ยให้สังเกตตดูนะว่าสมมติว่าถ้าเราลึกถึงพระจริยาคุณของพระเจ้า แต่จิตที่ระลึกนั้นระลึกด้วยความลังเลสงสัยตอนนั้นมีภพพลันตนะใจที่อย่งเช่นระลึกไปในพระชาติที่พระองค์ทรงเกิดเป็นพญากระแตที่ถูกน้ําถูกไอพายุพัดภรรยาและบุตรตกน้ําแล้วท่านก็ใช้หางไปวิจแม่น้ำในทะเลเพื่อจะทําทะเลแล้วท่านก็เพียรพยายามในการบากบัน ท่านไม่เคยท้อเลยว่าทะเลมันจะกว้างใหญ่ขนาดไหนท่านมีความรู้สึกว่าทะเลกับชีวิตของท่านเนี่ยก้อนเดียวกันนทะเลกับชีวิตก็อนเดียวกั น, นฉะนั้นท่านจะทาทะเลนี่แห้งถ้ามีชีวิตอยู่ตราบใดทะเลนี้ต้องแห้งแน่นอนมาสมุทรนี้ต้องแห้งด้วยความสามารถของเราเราเชื่อไหมเราสงสัยไหมมันมีไหมกระต่ายเ อ, อื้อเข้าไปกระแตเนี่ยคิดแบบนี้ได้จริง ถ้าสงสัยเพราะเราไม่รู้คาว่าพลังไงเราไม่รู้จักพลังของศรัทธาที่มันฝังแน่นในกระแสใจของพระโพธิสัตว์พลังของวิริยะที่ฝังแน่นพลังของสัจจะพลังของวิริยะพลังของขันติพลังของบารมีแต่ละข้อที่ฝังแน่นแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจของท่านแล้วแม้ท่านไปเกิดในอัตภาพใดความกระตุ้นเตือนในพระบารมีทั้งหลายก็แข็งแรง พระเราเอาใจของเราไปวัดไงเราจึงไม่รู้จากพลังของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ว่าพลังศรัทธาที่ท่านจะวิตมหาสมุทรให้แห้งพลังของวิริยะที่ท่านเพียรพยายามไม่กลัวต่อความตายไม่กลัวต่อความตายเนื้อเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเย็นกระดูกก็ตามทีเห็นไหมถ้าไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเนี่ยจกไม่หยุดพลังของขันติท่านพยายามประคับประคองใจท่านไม่ให้โกรธนะ ทำจิตใจเกิดความเอิบอิยมในความมุ่งมั่นพลังของปัญญาที่มีอุบายวิธีในการวิทนาพลังของพลังของสัจจะที่ได้ลั่นวาจาออกไปแล้วต้องทำให้ได้อย่างนั้นพลังของอธิฐานท่านไม่ยอมถอนความตั้งใจเห็นพลังของบรารมีเห็นไหมพลังของของเมตตาที่ท่านมีความรักความปรารถนาดีต่อบุตรและภรรยาและสัตว์โลกทั้งหลาย พลังของเวคาท่านวางใจเป็นกลางถ้าท่านจะช่วยไม่ได้ท่านจะวางใจเป็นกลางถามว่าเราเห็นพลังของบา ร, รมีในใจของมหาบุรุษนั้นไหมแล้วพลังเหล่านั้นมีในเราไหมเออมีไหมพลังของทานบา ร, รมีมีในเราไหมพลังของศีลมีในเราไหมพลังของเนคขมมะพลังของปัญญาพลังของวิรยิยะคันติสัจจะทิฏฐานะเมตตา เขาบว่ามีในตนไหมน้อมถึงพระบา ร, รมีก็น้อมในตนน้อมในบา ร, รมีก็น้อมในตนถ้าไม่มีก็เพิ่มสิเพิ่มสิเห็นไหมแล้วบอกอุ้ยเราไม่มีทรัพย์เอาบา ร, รมีมีตั้งเยอะแยะทานบา ร, รมีเนี่ยบางทีมีทรัพย์ชิ้นเดียวแต่ถ้ามันเนื่องด้วยชีวิตน่ยก้าสลากไหมเนี่ยกล้าไหมล่ะเห็นไหมไม่ใช่ว่าทรัพย์มากแต่อพลังในใจนมันมาก หรือสีลเนี่ยไม่ต้องได้สิลไม่ต้องเสียทรัพย์สักบาทเลยนะเนี่ยศีลเลยเนี่ยั a ม m ปัญญาวิริยะขันติสัจจะทั้งหลายเหล่านี้เห็นไหมเนี่ยที่เนื่องโดยทรัพย์มีบารมีข้อแรกนะแต่จริงๆท่านกลับเน้นตัวสละอวัยวะสละชีวิตและสละกีเลยตรงนี้ตรงนี้พอจะมองเห็นบริบทเรือยงว่าการเข้าถึงพระราชนตรเนี่ย อันที่สองก็คือสังสยะคือลังเลสงสัยใช่นไหมคนที่การถือไตรสรานะคมที่มันยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็สงสัยพอพอยกแต่ละชาติมาสงสัยสงสัยทุกเรื่องสงสัยทุกเรื่องสงสัยพระพุทธเจ้าทุกส่วนเลยนะพระเจริยาคุณทำนี้จริงหรือพระส리ละคุณมีัดงามจริงหรือพระวิญาคุณมีจริงหรือเปล่าสงสัยเรียบร้อยนี่คือสงสัย การถือ ส, รสรารนุมที่สงสัยเนี่ยเศร้าหมองไหมอะไรเศร้าหมองสรารณนมเศร้าหมองหรือใจเราเศร้าหมองใจเราเศร้าหมองเพราะใจเราเศร้าหมองจิตของเราที่ไปเลือกถึงพรระัตนาตรายเลยพลอยเศร้าหมองด้วยการเห็นพรัตนาตรายของเราเลยเห็นแบบหมองๆเห็นไม่จริงเห็นแบบหลอกหลอ แต่อย่าหลอกตัวเอง Strand, จนกลายเป็นนึกว่าจริงนะยอมนะบางทีมันหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละหลอกเหมือนอามาตยแต่ที่แรกอ่ะอามันหลอกตัวเองว่าอุ้ยศรัทธาพระเจ้าอย่างนี้ทําได้อย่างนี้ทําไม่ได้มันก็แยกแยกเนี้ยอุ้ยอย่างนี้เกินไปไม่เอาเราต้องอย่างนี้อย่างเศร้ามองอะไรที่มันมันขัดกับกิเลสเราเราเอาไว้ก่อนแล้วทําตามใจเราก่อนเศร้ามองไหมเช่นพระเจ้าบอกว่าให้รักษาศีลอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้เราทําไม่ได้ อันนี้เราไว้ก่อนทม้งอุบาสกบาศิกาเขาบอกวันพระเนี่ยพระเจ้าให้ถือสินแปดเราอกโอ๊ยไม่ได้หรอกเราถือสินห้าเห็นไหเราก็มาลดนะถือสินห้าก็ไม่ก็เอ้ยเราก็ต้องมีเผลอตอบยุงบ้างอย่างไหมเผลอโกรธบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาปุถุชนเนี่ยเนี่ยหมองใจจะเศร้าหมอง ก็เลยเห็นคุณของพระรัตนตรัยแบบมองๆเขาเรียกการถือพระรัตนตรัยที่ยังหมองอยู่ยังไม่แข็งแรงเพราะอีกข้อหนึ่งนะมิฉายนะอันนี้ก็คือว่าการถือตรยสนานาคมเพราะนับถือเป็นไปอย่างก็คือการรู้ผิดการรู้ผิดก็คือ บางคนไปคิดว่าถ้าไหว้พระพุทธรูปที่สร้างใหม่กับพระพุทธรูปที่สร้างมานานเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์ต่างกันมีความคิดอย่างนี้ไหมเนี่ยถ้าพระพุทธรูปที่สร้างไว้ที่บ้านยอมสํารวยเนี่ยถ้าไหว้ตรงนี้กับไหว้พระพุทธรูปที่สมัยสุขโขทยัยบุญได้ต่างกันเรายังถือแบบนี้อยู่ไหมใครถือโหถ้าไปไหว้ที่หลวงพ่อโสธรดี ักสิแต่ว่าตรงนี้ไม่สักสิการถือความต่างกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารู้ผิดรู้ผิดเข้าใจผิดถามในใจเราจริงๆเราเป็นไม่เป็นเพราะไปว่าโอ้โหพุทโปนี้เก่าแก่มากฉะนั้นบุญต้องเกิดมากพุทโปนี้สร้างแต่เมื่อไหร่เนี่ย เ่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเสร็จหลอมมาจะเตาเนี่ว้าเป็นอย่างนี้ไหมสรุปแล้วเราก็ไม่เห็นพระจริยาคุณอยู่ ไ, ไม่เห็นพระสรลีระคุณไม่เห็นพระพุทธคุณในในใ น, ในอุเทสิกาเจดีย์นี่ไงคขารู้หรือเข้าใจผิดคิดว่าท่านนานแล้วจะต้องขัง จะต้องศักดิ์สิทธิ์เอางี้นะลองไปทําผลสํารวจทั้งประเทศเนี่ยมันจะออกมาทั้งประเทศเนะี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์เนเหลือให้หนึ่งปอร์เซ็นเะนีไม่รู้ถึงหรือเปล่าลนะยันมีความเข้าใจว่าเออถ้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ก็ไหว้พระที่นี้จึงไม่ยอมเอง มันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะรู้สึกเข้าไปบรรยากาศมันขังขงในช่คนก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เข้าใจคุณอย่างแท้จริงเนี่ยเอารูปของพ่อแม่ถ่ายเมื่อตอนเป็นเด็กถ่ายเมื่อตอนเป็นหนุ่มถ่ายตอนที่ท่านแก่เท่าและถ่ายตอนที่ท่านจะตายรูปไหนไหวแล้วรู้สึกเห็นคุณได้มากกว่ากันมันก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ ถ้าคนเขาเข้าใจอ่ะใช่ไมก็เหมือนทั้งหมดนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ไปดูที่รูปแล้วแต่อาศัยดูรูปนั่นแหละทำไมงดงามอย่างนี้เพราะท่านสร้างอะไรมาเห็นพระบารมีแต่ละข้อแต่ละข้อใจก็ลิบน้อมศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเราควรตื่นนะปฏิบัติธรรมะเนี่ยควรจะตื่นกันออกมาจากโมหะนะ ตอนนี้โมหะมันปิดมากนะควรจะกระจายโมหะออกแล้วก็ปัญญาเข้ามาโลดแล่นจะได้เห็นคุณท่านจริงๆอย่าเอาฝ้าอย่าเอาเมฆหมอกมาปกคลุมใจอีกเลยมันเป็นการปฏิบัติต่อพระเจ้าพิทปฏิวัติใหม่ดีไหมความคิดนะไม่ใช่ปฏิวัติ ยกกองทัพออกมายกกอกถังออกมานะปฏิวัติความคิดเดิมบอกว่าเราจะไม่เชื่ออย่างเดิมๆแต่เราจะเชื่อแบบที่มีปัญญาจริงๆเพราะเราต้องการเข้าถึงพระรัชนาตรายัยเราต้องการที่จะเชื่อมั่นในพระรัตนาตรายัยเราเข้าใจเหตุและผลถามพกถาว่ถาถ้าพูดอย่างนี้เชื่อเป็นการลบหลู่พุทพุทธรูปเก่าๆไหมใช่ั้ย ไม่ใช่พระพุทธลูปนั้นคือพระพุทธเจ้าทั้งหมดคือพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ไปเข้าใจอย่างนี้ไปเสร็จก็เลยทำใจแบบธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหมดอันนี้เสียอีกเสียอีกเพราะความตั้งมั่นไม่เกิดอีกจะว่ายังไงให้มีความแนบสนิท ในพระรัตนตรยัยก็เข้าใจอยู่นะการจะเปลี่ยนทิศฝ่ามือเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่เปิดเปิดปัญญาให้รู้ก่อนว่าว่าอะไรมันเป็นเมฆหมอกปกคลุมสารณคมทําให้เรามองไม่เห็นโมหะนี่เลยโยมในการรู้ผิดนี่แหละการรู้ผิดนี่แหละประการต่อมาคือมิจฉาประวัติการถือตราสรารนัคมโดยการผิดปฏิบัติผิดต่อผู้ต่อ ว, วา่า มิชาประวตินะการปฏิบัติต่อสารณะคือการปฏิบัติผิดต่อพุทธโอวาทเธ อ, อพระเจ้าบอกให้ให้ทานให้เจริญทานกุศลอย่างนี้เราก็เจริญอีกอย่างอันนี้ผิดจากพุทธโอวาทไหมพระเจ้าให้เจริญทานกุศล เราก็ น, นิมนต์พระมาเจรจีไบเสร็จทาบุญอะไรสะดอกเคาะสมมุตินะต่อชะตาเนี่ยถามว่าตรงนี้ชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องตามพุทธโอวาทไหมถ้าไม่ถูกก็เรียกมิจฉาประวัติถิถ้าถามว่าสะดอกเคาะข้อไหนสะดอกเคาะข้อไหน กูสนนั่นแหละจะรักษากระแสะชีวิตให้เราพ้นจากอุปสรรคและพยันอันตรายอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นสิพอไปเข้าใจผิดอย่างนี้เบีเสร็จมันก็เลยกลายเป็นการปฏิบัติผิดจากพุทธโอวาทพูะเจ้าให้นิมนต์สองมาเนี่ยเช่นจะนิมนต์พระสี่รูปมาขึ้นบ้านไม่ได้แล้วเรารู้สึกใจจะขาดเลยมันเกี่ยวกับสวดสบใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเี้ถูกไหม เราเลยเห็นว่าพระสี่องค์เนี่ยไม่เป็นมงคลสำหรับขึ้นบ้านเราต้องเก้าเท่านั้นเอาแต่เลขเก้าเลขเก้ากันอยู่เนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเพราะเราปฏิบัติผิดจาพุทธโอวาทพระเจ้าไม่ได้บอกไว้ไงสง์เนี่ยหนึ่งองค์สององค์สามองค์ถึงร้อยองค์เป็นล้านองค์ยิ่งดี ดูแลท่านไปเถอะบูชาท่านไปเถอะทีนี้คนที่เขาฉลาดจริงๆเห็นสงค์หนึ่งองค์เนี่ยเขาเห็นเป็นตัวแทนของสองค์ท่านจักรวาลได้เราเห็นอย่างนั้นได้ไหมยังนิทานกุศลเราก็ไม่ยิ่งใหญ่ดีทีนี้แล้วก็ปลาลบบุคคลอยู่นั่นน่ะปลารบบุคคลอยู่นั่นน่ะใช่ไหมล่ะแต่ทำไม เอกอัคราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเราเราเข้าใจเลยเขาเป็นตัวแทนของประชากรพอสองร้อยล้านคนเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเราเข้าใจเลยนะเขาเป็นตัวแทนของประชากราหนึ่งพันล้านคนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเราเข้าใจเลยเขาเป็นตัวแทนของประชากรพันกว่าล้านคนแต่ส่งมาองคหนึ่งเราก็มองไม่เห็นมีอะไรเลย อันนี้เพราะเราปฏิบัติผิดจากพระโตวาเทศไหมเราจึงวางใจไม่ถูกต่อการน้อมในการบูชาสงสาวกของพระพุทธเจ้ายากไหมการวางใจนี้ยากไหมย่างเนี่ยการที่เราปฏิบัติผิดในชั้นทานก็ผิดในชั้นศีลก็ผิดเราคิดว่าศีลเนี่ยเวลานี้ปฏิบัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติศีลเราไปเข้าใจเฉพาะสมาทานก่อนอย่างนั้นไหมนะไม่ไม่ไม่ต้องมาละลึกต่อ ทานกุศลก็เหมือนกันไม่ต้องประมวลความคิดอะไรมากมีก็ให้ให้ใหไปเธอจบจบไปต้องมาคิดอะไรมากมายหุ่นวายฟุ้งซ่านเราคิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วภาวนากุศลเราจะเดินยังไงตายเคลื่อนไหวใจรับรู้สมมตินะถ้าแค่นี้พอไหมก็ต้องบอกว่ายังไม่พอไง ม, มันต้องเพิ่มต้องเพิ่ม คือข้อมูลเนี่ยความเข้าใจเนี่ยสำคัญตําเพิ่มเป็นจุดเบื้องต้นได้นะคําสอนของใครก็แล้วแต่เนี่ยแต่เอามาตรฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าจุดเริ่มต้นดีก็ไม่เป็นไรแต่อย่าติดอยู่แค่นั้นนายยอมารวยนะอย่าติดอยู่เพียงแค่นี้ให้พัฒนาให้กว้างกวางวางขึ้นไปเพราะกิเลสจะไม่หลุดอยู่เพียงแค่บล็อกคอความคิดไว้แค่นี้ กิเลสมันมีวิจิตมากกว่า น, นั้นพัฒนาตรงนี้ต่อยอดเข้าใจไหมต่อยอดให้พัฒนายิ่งยิงยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเพื่อความเจริญไพบูุ์แต่ตรงเนี้ฐานที่เราจับได้ดีแล้วเข้าใจอย่างแต่ให้ต่อยอดให้กว้างขึ้นให้เจริญขึ้นมนัข้อสุดท้ายคืออนาธละไม่เอือเ้อเฟื้อการทั้งหมดเหล่านี้มันจะมาลงว่าเพราะเราไม่เอือเ้อเฟื้อ คำว่าไม่เอื้อเฟื้อเนี่ยคือไม่ได้แสดงความเคารพอย่างจริงจังไม่ความไม่เคารพอย่างจริงจังกายกรรมไม่เคารพอย่างจริงจังวัตถกรรมแล้วมันออ ก, กรรมไม่เคารพอย่างจริงจังให้เป็นกิจกรรมเล่นๆ เ, เช่นเวลาจะจัดอบรมอย่างนี้เสเสร็จเนี่ยก็เออมาแต่จิตใจมาแบบไม่ร้อยอ่ะ นั้นถ้าใครยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็น์ก็เพิ่มเสียต้องเป็นเรื่องกิจกรรมที่ทำจริงๆนะที่เรามอยปฏิบัติเนี่ยต้องให้ได้อะไรให้ได้นะทุกท่านนะให้คิดสึ่ว่าไม่ได้เราจะต้องขัดเกลาให้ได้เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้เราจะต้องเพิ่มพูนฉันทาวิรยิยะจิตตปาัญญามากระตุ้นเตือนทานกุศลสีมุสุลภาวนากุศลในช่วงเวลาเวลาที่สั้นๆนทาให้ได้ แต่ไม่ใช่คิดอย่างเพียนนะคิดแบบว่ามุ่งมั่นเพียรพยายามบากบั่นไม่ท้อตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามถ้าทำไปเบีเสร็จพวกว่ามร า, ายงานต้องให้ได้จะไม่ให้กิจกรรมนี้ผ่านไปโดยที่เราจะไม่ได้อะไรวันนี้ก็สมควรแก่เวลา